สิกขาบทที่สภิกษุนีเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวรของพิกษุนีแล้วไม่เย็บไม่ขวนขวายเพื่อให้เย็บต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตติ